ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเราก็อาจจะได้ลองเรียนรู้ดูแต่ว่าพระอาจารย์ทรงศิล์ก็จะเหมือนกับวางก็เรียกว่าวางวันปฏิบัติเอาไว้เพื่อบูทางพวกเรามาระยะหนึ่งใช่ไหมครับอย่างนั้นให้พวกเราได้รู้จักที่กับจะอยู่กับตัวเองที่จะอยู่กับความรู้สึกตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตรวเองเรา จะไม่ค่อยได้รู้สึกว่าการที่เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆเนี่ยจะเป็นการที่ทําให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าภาวนาหรือสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยการอยู่คนเดียวอย่างที่คุณป้าที่มาหรือว่าอย่างที่คุณลุงอีกคนหนึ่งที่บ้านมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้ง ไม่มีใครมาสนใจเราไม่มีใครมาพูดคุยด้วยอะไรต่างๆนานาเหล่านีน <c oughs> <t ong onions> ้เน네ี่ยแต่ว่าตรงเนี้ยนะฮะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจตัวเราเองผ่านการที่เราเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวนะฮะอยู่คนเดียวอย่างที่นี่นะฮะเวลาปฏิบัติธรรมก็จะพระจัย์รศรี์ก็จะพูดอยู่เสมอเสมอนะฮะว่า อยู่หลายคนก็เหมือนอยู่คนเดียวก็คือตรงนี้เนี่ยนะก็อยากที่ใช้ทุกคนเนี่ยนะฮะก็ต่างคนก็ต่างต่างอกต่างใจที่จะปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นนั่นคือถ้าเกิดว่าจริงๆเราสนใจให้ความสนใจอยู่กับตัวเราเองการเดินอยู่บนลู่ทางจมกลมหรือว่าจะเป็นการเรื่องยกมือซั่งจังหวะตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าเราได้เอาใจใส่กับตัวเองเนี่ย คนอื่นๆได้เอาใจใส่กับตัวเองท <c oughs> ุกๆคนเนี่ยการอยู่หลายคนก็เหมือนอยู่คนเดียวที่วัดก็จะมีการปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเป็นเป็นทุกๆเดือนทุกๆเดือนบางเดือนก็มีเป็นร้อยคนร้อยกว่าคนส่วนนึงก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าต่างคนต่างอยู่ด้วยความตั้งใจที่จะปฏิบัติที่จะอยู่ความรู้สึกตัวเนี่ยก็บัดก็จะเงียบนะฮะวัดก็จะเงียบ แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราปิดวาจาวันแรกเนี่ยปุโรหิตก็จะพบว่ามีหัวเราเนีย่ยอึมขนุนไปหมดเนะืด้วยความคิดต่างๆนานาพุ่นนายไปหมดนะซึ่งตรงเนี้ยเน้อก็เนืก็จะพบว่าตรงเนี้ยเนืว่าไอ้ความบุ่นนายจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่กับคนข้างนอกแต่ความบุ่นนายจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ในหัวของเรานี่แหละสารพัดเรื่องสารพัดเรานะฮะอย่างนั้นเดี๋ยวไอ้นู่นก็สําคัญเดี๋ยวไอ้นี่ก็วิ่งเข้ามา เดี๋ยอนันก็จาเป็นเดี๋ยวอนี้นเขาต้องรีบไปหมมีสรรพัดยุ่งเมือนะที่จะฉุดเราออกจากทางจงกรมออกจากการปฏิบัติธรรมซึ่งตรงนเนี้ยนก็เป็นสิ่งที่สำคัญการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าหากว่าคนที่มาใหม่ๆนะบบางทีก็จะลืมไปเนาะ ว่าเอ็งเรามาปฏิบัติธรรมทาอะไรกันอะไรต่างๆนั่นนบางทีก็อาจจะนึกถึงเพียงแค่การยกมือสร้างจังหวะเฉยๆเนี่ยอย่างนั้นการยกมือสร้างจังหวะเฉยๆก็ยกมือไปยกมือมาก็ลืมไปเนื่อว่าไอ้การยกมือสร้างจังหวะเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรใช่ไหมก็การปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าพัฒนาตัวเอง แล้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าจะพาตัวเองเนี่ยให้ออกจากทุกนะอย่างนั้นคําว่าพาตัวเองหมายถึงว่าไม่ต้องให้คนอื่นช่วยนะเราเนี่ยสามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยออกจากความทุกเนี่ยได้เป็นลําดับเราเองถ้าหากว่าทําตามครูบาอาจารย์ที่แนะนําตามลําดับเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเหมือนกับพาตัวเองเนี่ยออกจากทุกได้การยกเมินสร้างจังหวะตรงนี้เนี่ย ก็อย่างที่หลวงพ่อเขียนบอกนาะว่าของเราเนี่ยมีกายมีใจเลยเนี่ยเป็นตํารามันแรกที่พวกเราเจอหลวงพ่มเขียนเนาะหลวงพ่อเขียนก็บอกว่าการยกเงินสร้างจังหะเนี่ยเป็นการแก้โรคทุกเนะแก้โรคสุขสุขทุก์เนี่ยหลวงพ่อเขียนยกไว้มันเป็นรอบภายแข้เจ็บอะใช่ไหมฮะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ยว่าการยกเงินสร้างจังหวะนี่แหละเป็นวิธีการที่จะพาเราเนี่ยหายจากโรค พวกเราอาจจะทํางานกันอยู่ในสายงานของการดูแลผู้ป่วยแต่ว่าทํานองเดียวกันเนี่ยพวกเราก็อาจจะลืมเลืนอนไปนะว่ า, าพวกเราก็มีโรคประจําตัวเป็นโรบทุกโรคสุขซึ่งตรงนี้เนี่ยท้ายที่สุดก็นํามาซึ่งความเจ็บปวยทางใจให้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ยอุปนนสมของการลดน้ำสร้างจังหวะตรงนเนี้ยน้ำก็จะเป็นรูปของการแก้โรคตรงนี้แหะแก้โรคทุกถ้าหากว่าทุกไม่มีเนาะก็คือไม่มีทุก เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นคือการยกมือสร้างจังหวตรงเนี้ยพวกเราก็อย่าลืมกันนะฮะว่านี่คือเราไม่ได้ยกมือเฉยๆนะแต่ว่านี่คือเรากําลังเนี้ยเรียนรู้นี่ที่จะพาตัวเราเองเนี้ยออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นนั่นคือไม่มีวิชาไหนนี่ยที่เราเคยเรียนมาไม่มีเรื่องราวใดๆที่เราเคยรับรู้มาเนี่ย ที่จะยิ่งใหญ่เท่านี้ที่จะสําคัญกับชีวิตเราเท่านี้เพราะว่านั่นคือตรงนี้เนี่ยพระจันทร์เพรานก็เคยพูดเอาไว้มาตอนธรรมยถาตราเนาะพวกเราเคยทกุกข์นะเป็นสิวก็ทกุกผมแตกตายก็ทกุกอย่างเงี้ยจะไม่ฮะอย่างนีงนน้แค่สิ่งเล็กๆน้อยๆเนะี่ยนะฮะสิวขึ้นนิดนึงก็จะไม่ฮะก็เป็นทกุกข์ละผมสั้งผมยาวผมเปลี่ยนสีไปผมแตกตายก็ทกุกข์ละอย่างเงี้ยเราคิดดูนะฮะมา เป็นอย่างเป็นอย่างคุณป้าที่เป็นบุกน้อต่อยมาหรือเปล่าเป็นอย่างคุณลุงที่เป็นอมตะมาอย่างเงี้ยเราจะพ้นได้ไหมอย่างนั้นใหญ่กว่าสิวใหญ่กว่าผมสั้นผมแตกตายได้ยะแย่หมดนะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือตรงนี้ครับว่าการที่เราค่อยๆที่จะเรียนรู้ตัวเราเองเนี่ยจากการที่เราได้ปฏิบัติธรรมนะผ่านการที่เรายกมือสร้างจังหวะ ยกมือสร้างจังหวะครูบาอาจารย์ก็จะบอกนะครว่าตรง น, นี้เนี่ยให้เดูการเครื่องไหวนะใช่ไหมฮะดูการเคลื่อนไหว ข, ของกายนะฮะในขณะที่พวกเรายกมือสร้างจังหวะก็มั่นใจว่าไม่น่าเกิน15้านาทีแรกหรือว่ายัางมากกว่าหนาทีแรกเนี่ยนะฮะพวกเราก็จะพบม่าในขณะที่พวกเรามีสมาธิกับการดูกายเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดจกการ จะเกิดการยกผิดบ้างนะฮะจะเกิดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ขึ้นซึ่งมาจะมาเป็นการขัดขวางการยกมือสร้างจังหะของเราเนี่ยซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยพวกเราก็จะพบมานั่นคือเกิดการที่เราเรียกว่าขาดสมาธิในเวลาที่เรียกว่าถ้าหากว่าเพ่งล็งลงไปก็คือเผลอไปคิดใช่ไหมฮนะซึ่งการเผลอไปคิดตรงนั้นอนะ่ะเราก็จะพบว่าในขณะที่เรายกมือสร้างจาาังหวะ เราก็จะพบมาในขณะที่เราดูกายเราก็เห็นความคิดไปด้วยนะใช่ไหมฮะอย่างนั้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพวกเราเองเราก็อาจจะยุงไุ่ยทันได้ได้แยกได้แยกแต่ว่าหลังจากที่พวกเรายกมือสร้างจังหมาบ้างเตือนจงกลมไปบ้างหลๆวันเนี่ยเราก็จะพบมาเราก็จะพูดกันมาว่าวันนี้ฟุงเนาะวันนี้ฟงฟุ้งทั้งวนเลยหรือว่าอะไรต่างๆนาน า, น า, นาน แต่ระยะสรุปนั่นก็คือเป็นเรื่องที่มีขณะที่เรากําลังตั้งใจเดินเนี่ยมันก็มีเรื่องความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเข้ามาซึ่งตรงนีนะ้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนก็เคยบอกไว้นะว่าให้พวกเราเนี่ยมีศรัทธานะมีศรัทธาในอะไรมีศรัทธาในความหลงการที่พวกเราบอกว่าโอ๋บอกว่ามันฟุ้งไปมันฟุ้งเยอะจังเลยฟุ้งทั้งมัน มันก็จะมีเหมือนกับสิ่งที่เขาเรียกมาเป็นการย้ำว่าความฟุ้งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นไม่อยากเจอจะ้นการปฏิบัตธิธรรมน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจเราสงบมันไม่ฟุ้งมาเป็นแบบ น, นั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยนะะก็เป็นเรื่องที่หลวงพ่อก็ย้ำเอาไว้นะว่าความฟุ้งตรงเนี้ยไม่ได้มีเอาไว้ให้เราหดหดนะไม่ได้มีไว้ให้เราทุกนะแต่ว่าตรงเนี้ยมีเอาไว้ให้เราเนี่ย ใรู้ว่ารู้ไมาหลงนะี่ยอวิให้รู้รู้ไม่รู้รู้ไม่หลงเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้ไม่ว่าเราจะรู้สึกตัวก็ตามหรือเราจะรู้ไมาหลงก็ตามเนี่ยทั้งสองอันก็เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในการเรียนรู้เรื่องความเป็นธรรมชาติของตัวเราใช่ไหมฮะอย่างนั้นตัวเราที่มีกายมีใจนี่ประกอบกันนะอย่างนั้นพระเจ้าก็ด้ กล่าวเอาไว้นะว่าความคิดอะไวเหมือนลิงใช่ไหมฮะว่าความคิดเนี่ยมันจะไวเหมือนลิงเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนื้อพระเจ้าบอกเอาไว้อย่างเนี้ยเราคนนี้ต้องหวังหรว่าความคิดน่ยมันจะหยุดอยู่นิ่งๆเพราะนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกนะคือเป็นสิ่งที่เป็นความจริงอย่างที่สุดนะอย่างนั้นอย่างที่พวกเราสวดมนตบทพิเศษงาที่พวกเราก็ได้สวดกันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมะที่พระเจ้าได้ให้ไว้นี่นก็ธรรมะที่พระเจ้าให้ไว้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเป็นจริงของธรรมชาติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องหวังมว่าความคิดของเรามันจะหยุดมันจะนิ่งนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเมืเราก็ดูไปนะฮะให้พวกเราดงไปให้พวาเราหัดดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกหัดดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกซึ่งตรงนี้เนี่ย การที่เราหัดดูตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาจจะเป็นบทเรียนแรกๆของคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในมีนสายหลวงพ่อพเทียนเนาะในวัดมหาสุกโตหรือว่าที่อื่นๆที่เป็นสายหลวงพ่อเทียนตรงนี้เนี่ยก็คือเราอาศัยกายเคลื่อนไหวเนาะเป็นหลักแล้วก็เพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นใจคิดนึกเนะอย่นั้นเราขณะที่เราดูกายเคลื่อนไหว กายที่เราตั้งใจเคลื่อนไหวอยู่มันก็จะปรากฏสิ่งที่ตึ ง, งมากายในส่วนที่เคลื่อนไหวโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้ น, นคือตรงนี้มนอมานิยมนาที่เราฝุกที่จะดูปุกที่จะดูเนี่ยเราก็จะกลายเป็นมือเห็นสิ่งตัณา น, านานาเหล่านี้ที่ปรากฏขึ้นในระหว่างที่เรากาลังปฏิบัติเรากาลังแค่เพียงยกมือสร้างจังหะตรงนี้เนะี่ย การยดม mm ือสร้างจังหวะเนี่ยสิ่งที่สําคัญของการยดมือสร้างจังหวะก็คือความเป็นจังหวะจังหวะจังหวะเนอะอยนั้นก็หลวพ่ทียนหลวงพ่อเขียนก็จะบอกว่าจังหวะล้านวินาทีจังหวะล้นวินาทีก็เป็นจังหวะที่พอดีอย่างนี้เนาะอย่างนั้นน honestly, maybe, uh, uh, ั่นหมายถึงว่าการเคลื่อนการหยุดการเคลื่อนการหยุดแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็ให้มีเนาะมีจังหวะของการเคลื่อนการหยุด การเคลื่อนการหยุดซึ่งจังหวะของการเคลื่อนการหยุดการเคลื่อนการหยุดตรงเนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าตรงนี้นจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นโอกาสที่จะให้เราเนี่ยที่ไหลไปกับความคิดตลอดตั้งแต่สมัยก่อนๆเนะอย่างนั้นเวลาพูดคุยเวลาที่เราจะนั่งเหมือนั่งคิดเนี่ยมันก็จะไหลไปจากเรื่องหนึ่งไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเป็นอีกเรื่องนึงไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งเยอะๆไปหมดเนี่ย แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะฝึกเนาะฝึกที่จะเหมือนกับฝึกที่จะก็เรียกว่าที่จะเป็นผู้ดูเนาะเป็นผู้ดูเมื่อเป็นผู้ดูเนี่ยเราก็จะพบมากในขณะที่เราดูเห็นความคิดเนาะเห็นความคิดความคิดก็ดับไปใช่ไห้ความคิดดับไปแล้วก็กลับมาเอาใจใส่กับการสร้างจังหวะได้ใหม่นะฮะแล้ว เอาเข้ามาอาใจจะใส่กับการเคลื่อนไหวของกายได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งในขณะที่เรากําลังเคลื่อนไหวกายไปบุงทีก็เผลอคิดไปอีกเผลอคิดไปอีกซึ่งบางทีก็คิดจบบ้างคิดไม่จบบ้างอะไรก็ตามอะไรเงี้ยแล้วนั่นคือตรงเนี้ยในขณะที่เรากําลังสร้างจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะเนี้ยโอกาสที่เราเนี้ยจะได้เหมือนกับได้รู้เนื้อใจจะได้กลับมาอยู่กับกายเนี้ยตรงเนี้ย ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรากำลังสร้างความเคยชินใหม่ให้กับจิตเราตั้งแต่สมัยก่อนอนตั้งแต่ก่อนที่เราจะเข้ามาปฏิบัติธรรมกันเราก็คุ้นเคยเนาะตรงรีกว่าคุ้นเคยกับการที่เราปล่อยใจให้ไหลไปตามความคิดคนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่ตัวหลวงพ่อเองเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมฮะแล้วเราก็เรียกว่าตรงนั้น่ะ ว่าเป็นจินตนาการนะแล้วเราก็ปล่อยก็เรียกว่าปล่อยให้มันไหลเรื่อยไปเลยนะฮะไหลเรื่อยไปเลยแล้วก็บังเอิญมีความคิดแบบไหนที่เรียกว่าเด่นๆด่นเก๋ๆเข้ามาแล้วก็อ้อจับเอาไว้อันนั้นก็เรียกว่าไอเดียนะฮอย่างนั้นก็เรียกว่าเกิดไอเดียซึ่งอย่างนั้นนะมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าการปฏิบัติรำเนี่ยเราไม่ทํากันนะฮะเราไม่ทํากันเพราะว่าหลวงพ่อเกนบอกว่า ความคิดที่มันไหลไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารักคิดนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะฮะในขณะที่เรากําลังยกมือสร้างจังหวะกำลังตั้งใจยกมือสร้างจังหวะกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจคิดนะฮะเพราะนั้น่นคืความคิดที่เกิดมาเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ตรงกับผมวงพ่อเขียนพูดก็คือปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือการที่มันขโมยเข้ามารักเข้ามารักเข้ามาคิดเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเยอะมา ถ้าเรเห็นความคิดพวกนั้นนะอย่าเสียดายนะอย่าเสียดายปล่อยไปเลยแล้วก็กลับมาอยู่ความรู้สึกตัวใหม่กลับมาอยู่ความรู้สึกตัวใหม่ตรงนี้มันก็จะเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นอานิสงส์มากๆนะว่าของการสร้างจังหวะเนี่ยจังหวะแต่ละจังหวะแต่ละจังหวะแต่ละจังหวะเนี่ยจะเป็นโอกาสที่เราจะได้เหมือนกับเปิดโอกาสให้ใจเราที่คุ้นเคยกับการที่จะลอยไปเนี่ย ฝึกที่จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวฝึกที่จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้นะฮะมาเราเนี่ยก็ขอให้เหมือนกับเด็ดขาดกับตัวเองจริงๆนะมาตัวเมื่อคิดปุ๊บเนี่ยอย่าไปเสียดายนะฮะอย่าไปอย่าไปนึกเสียดายโอ้คนคิดนี้ดีๆไม่ต้องไม่ต้องเสียดายนะฮะอย่านั้นก็กลับมานะกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวใหม่กลับมาอยู่ความรู้ตัวใหม่ตรงนี้เนื้อมันจะเป็นสิ่งที่เป็น ฐานสำคัญของการที่เราเปลี่ยนนิสัยจิตของเรานิสัยจิตที่เคยที่จะหลงไปกับความคิดนานๆแล้วก็ไปสุกอยู่กับความคิดหรือว่าไปทุกข์อยู่กับความคิดตรงนี้เนี่ยนะนะก็จะถูกเปลี่ยนให้เขาหมั่นกลับมาหมั่นกลับมาสติที่จะคอยดูแลกายคอยดูแลใจคอยเหลือบดูว่ากายเป็นยังไงคอยเหลือบดูว่าใจเป็นยังไงตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ที่จะชักนา เกิดจิตนะฮะที่จะกลับมาอยู่กับนี้กับตัวอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นนูเองตรงเนี้ยนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ค่อยๆนะฮะค่อยๆนะค่อยๆทําให้พวกเราเนี่ยมีนิสัยใหม่นิสัยในการที่จะเอาสติเนี่ยคอยดูคอยดูแลกายคอยดูแลใจเมื่อก่อนนี้พวกเราเกิดขึ้นมากันนะสติก็ติดตัวกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยแต่ว่า เราเนี่ยจะไม่มีนิสัยนะฮะที่จะคอยเอาสติเนี่ยมาคอยดูแลกายคอยดูแลใจเพราะฉะนั้นนั่นคือกายกับใจเราเนี่ยก็ถูกใช้ใช้ด้วยอะไรฮะใช้ด้วยความอยากเนาะเมื่อกี้พระอาจารย์หลงศิลป์ก็พาสวดเนาะอย่างเี้ยบทบทสุดท้ายก่อนหน้าที่จะสวดอืมก่อนหน้าที่จะกรดน้ำตันเย็นเนาะ มันจะมีตําช่วงหนึ่งเดี๋ยวนึกกันเนาะอยนั้นเพราะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อจึงตกเป็นทาตของตัณหาเนาะอย่างนั้นตรงนี้นะฮะก็เป็นจริงๆรินะทุกทุกวัตทุกตอนนะฮะก็แบอบกว่าสำคัญหมดเลยนะแต่ว่าก็อยากจะยกตัวอย่างตัวเนี้ยเพราะเราไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อเนี้ยเราก็ตกเป็นธาตของตัณหาเพราะฉะนั้นคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย เราเคยใช้กายใช้ใจเนี่ยของเราวิ่งตามความอยากมาตลอดความอยากก็จะก้าวล้ำหน้าไปแล้วก็วิ่งตามความอยากความอยากเนี่ยเชื่อที่เราก็อยากกันไม่เคยจบเลยที่บอกว่าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อเนี่ยเมื่อไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อเราก็ต้องตกเป็นทาสของความอยากตกเป็นทาสของตัณหาตลอดไปเพราะฉะนั้นเคือตรงนี้เนี่ยเราเองเนี่ยตรงันนี้อาจจะไม่มีสู้ไม่มีตรวนอะไรที่จะมองเห็นแต่ว่า ว่าถ้าหากว่าพวกเราลองมองดูจริงๆแล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะว่าทุกความเคลื่อนไหวของเราเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมาเจริญสติกันก่อนหน้าที่เราจะมาภาวนากันตรงนี้เนี่ยเยลองทบทวนดูนะฮะว่าทุกความเคลื่อนไหวของเราก็ถูกความอยากเนี่ยนะที่จะเป็นตัวชักนําตลอดแต่ว่าตรงนี้ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยได้เข้ามารู้จักกับวิชาที่จะพาเราพ้นทุกเนี่ย เราก็จะพบมาความสําคัญของวิชานี้นะฮะอยู่การที่พวกเราน่ยฝึกที่จะเป็นตัวผู้ดูนะฮะฝึกที่จะเป็นตัวผู้ดูกันฝึกผู้ดูขึ้นมานะครับเมื่อฝึกผู้ดูขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเข้ามาดูกายดูใจนะฮะดูกายเขาทํางานดูใจเขาทางานตรงนี้เนื้อก็จะเป็นการฝึกที่แบบอาจจะเป็นเรื่องที่ทําแล้วก็ ใช่ไหมหรือว่าตอนนี้ว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือเปล่าความลังเลสงสัยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ที่มันก่อนพระจารเปสาญก็ได้แจกแจงให้ฟังเนาะนิวรังทั้ง5้าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันก็จะพดขึ้นมาแต่นิวรังทั้งหมดเนี่ยนะที่สําคัญก็คือทั้งหมดเป็นความคิดนะเพราะฉะนั้นนั่นคือถ้าเกิดว่าเราใช้หลักนะของหลวงพ่อเทียนที่บอกว่า ไม่คิดเมื่อไหร่ก็กลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวไม่คิดเมื่อไหร่ก็กลับมาอยู่การเคลื่อนไหวเนี่ยตรงเนี้ยนะฮนิวรณ์เนี่ ย, นะนนยก็จะไม่สามารถที่จะครอบงาเราได้แต่ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยนะฮะแบบว่าเขาเรียกว่าเข้าไปเขา้าไปหลงยึดเอานิวรณ์นเนาะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเราก็รียกว่าเราเพิ่มเขียนบอกว่าพวกเราก็เขาเรียา ทำตามความคิดตกเป็นเหยื่อของความคิดกันใช่ไหมฮะพวกเราลองดูนะว่าแบางสิ่งบางอย่างหลายๆสิ่งในชีวิตเราเนี่ยโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมฮพอเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เราก็ไม่ทำใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเราเชื่อความคิดแบบนี้ไปตลอดนะฮะมันก็มีอีกหลายสิ่งเนาะที่เราจะไม่ได้เริ่มต้นในชีวิตเราแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราลองดูสิลองดูลองดูสักครั้งว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย เมื่อก่อนก็จําได้พราอาจารย์สรงศิลก็บอกว่าถึงเวลาเนี่ยก็เป็นเวลาที่พวกเราเหมือนกับว่าโอกาสที่ที่ทํางานของเราเนี่ยจะให้มาตรงนี้ก็ถือว่าตรงนี้เป็นเวลาทํางานนะก็พวกเราเนี่ยก็ทํางานตรงนี้ให้เต็มที่ตะกระายพลอยกระโจนไปเลยเมื่อวันนั้นคือตรงเนี้ก็แบบว่าก็เหมือนอาจารย์ก็จะบังคับไกกลๆหรือม่ให้พวกเราลองดูนะอย่าไปเชื่อนะว่าไอ้ความคิดที่เราบอกว่า มันคงไม่ใช่คงใช้ได้หรือเปล่าหรือสารพัดสารเพของความลังเลสงสัยเนี่ยที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับอย่ไปเชื่อเขาลองทําดูก่อนลองทําดูก่อนตรงนเนี้ยนะเราจะเป็นที่เรียกว่าเป็นอานิสงส์มากมากเลยเพราะว่ามีสิ่งที่หลวงพ่อเทียนเคยพูดถึงเอาไว้นะม่เกลือไม่เข็มอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ เป็นในของการที่เราเชื่อความคิดมาตลอดเหมือนกันจะมีพวกเราลองดูนะว่าความคิดเนี่ยสั่งให้พวกเราทำอะไรกันบ้างจะมีฮะความคิดความอยากเนี่ยก็เหมือนกันเนาะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะฮะว่าชีวิตของเราดำเนินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ไหนแต่ายรุ้มรุมดอดอนกันมาตลอดนะฮะความพยายามของเราก็ไม่เคยประสบความสำเร็จสักทีหนึงหรือว่าประสบความสาเร็จก็ท้ายที่สุดก็ มันก็เกิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดความเดือดเนื้อล้นใจตามมาในภายหลังอยู่ดีนั่นแหละอย่างเงี้ยนะตรงเนี้ยนะเราก็จะมาพบมาสิ่งที่เรากําลังฝึกตรงนี้แหะถ้าหากว่าใครตั้งใจฝึกกันจรงิงๆใครที่มาเป็นครั้งที่สองใครที่มาเป็นครั้งที่สมเนี่ยนะก็ตรงนั้นนะ่ะก็คือเราเนี่ยจะพบว่าอานิสงส์ของเพียงแค่าการยกมือสร้างจังหวะเฉยๆตรงเนี้ย หรือว่าการที่เราบอกว่าลราดูกายเคลื่อนไหวลอาดูใจคิดนึกลราดูกายเคลื่อนไหวลอโดูใจคิดนึกแค่เพียงแค่ประโยคสองประโยคตรงนี้เท่านั้นเองเนี่ยจะมีแบบเขาเรียกว่าจะมีอิทธิพลกับชีวิตเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยได้ตั้งใจกันจริงจริงจังๆที่จะเปลี่ยนเราก็เรียกว่าเปลี่ยนมิสัยของเรามิสไที่เคยใช้ตาดูหูฟังเอาชอบเอาไม่ชอบเนี่ย มาเป็นมิตรใสของการที่เราจะคอยดูกายเคลื่อนไหวคอยดูใจคิดนึกคอยดูกายเคลื่อนไหวคอยดูใจคิดนึกผ่านการมองผ่านการได้ยินได้ฟังได้เห็นได้กลิ่นต่างๆนานาเหล่านี้เ น, นี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถที่จะซ้อนกันเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการที่ตาดูหูฟังเนี่ยได้อย่างกลมกลืนมากๆเลยเพราะว่นั่นคือ ในขณะที่ตาเราไปกระทบรูปเนี่ยลองฝึกดูนะว่าใจเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรในขณะที่หูเราได้ยินเสียงเนี่ยลองฝึกดูนะว่าใจเราอะรู้สึกอย่างไรในขณะที่จมูกได้กลิ่นก็ลองฝึกดูนะว่าใจเราเป็นยังไงณขณะนั้นณขณะนั้นณขณะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าความหลงของเราเนี่ยจะเมื่อสามารถที่จะดิ้นรนไปได้ไกล เพราะว่านั่นคือเมื่อสติได้เห็นใจที่พลัดเข้าไปนะสู่ความหลงความหลงก็จะดับดวงนะแล้วก็จิตก็จะกลับเข้ามาอยู่กับกายกับใจเนี้ยใหม่นะเพราะฉะนั้นนัคือเมื่อจิตกลับมาอยู่กายกับใจเน้ยใหม่เนี้ยความรู้สึกตัวเนี้ยก็จะกลับเข้ามาถ้าหากว่าเราเนี้ยเป็นคนคนหนึ่งที่จะสามารถเตือนตัวเองได้บ้างเราเนี้ยกำลังหลงอยู่นะถ้าหากว่า นะคเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยก็จะอวเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะในเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องอาศัยเพื่อนที่จะคอยสกิดหือบอกเอ้านั่งเหมืออะไรนั่งคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนั้นเนี่ยการใจลอยใดยๆในเวลาที่ผ่านมาที่ทําให้เกิดทุกข์ทรมเกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยอย่างที่พระเจ้าบอกเอาไว้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนยืก็จะถูกเราเนี่ยนิสัยใหม่นิสัยที่ คอยเตือนตัวเราเองว่าให้เราเนี่ยกลับมาคอยดูกายคอยดูใจคอยดูกายคอยดูใจตรงนี้นะมันจะทําให้เราเนี่ยได้พ้นจากความหลงตรงนั้นดังนั้นคือตรงนเนี้นะก็อยากจะชวนชวนพวกเราเนาะให้ของขวัญปีใหม่กับตัวเองเนาะและส่งท้ายปีเก่านะส่งท้ายก็ความที่พวกเราเองก็อาจจะเคย ตาดูหูฟังเอาทุกอันสุดเกินเฉยๆตรงนี้ก็ส่งท้ายไปแล้วก็ตั้งรับไปใหม่ด้วยการที่เราเองเนี่ยด้วยเอาตาสติเนี่ยคอยมาดูที่ใจเราเนาะคอยมาดูที่ใจเรามัจใจเรารู้สึกยังไงมีนขณะที่ตาได้กลิ่นยินได้ดนะรดเนาะเพราะฉะนั้นัก็คือตรงนเนี้ยเนี่ยก็อนุมโมทนากับทุกๆคนที่ได้เข้ามาตั้งใจปฏิบัติทำรรกันแล้วก็ตั้งใจสแสวงหาสิ่งดีๆให้กับชีวิตแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ก็มันจะเป็นสิ่งที่เมันอย่างที่พวกเราอยู่กันตรงนี้อยู่กันมา4ี่้าวันเนี่ยมั่นใจน ะ, ะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยจะพบมา4ี่ห้าวันเนี้ยเป็น4ีห้วันที่เรามีความสุขพอสมควรเรามีความสงบที่เราคิดว่าเออเราก็ไม่เคยเจอแต่ว่าตรงเนี้ยขอให้บอกไม่ไม่ใช่ขอให้บอกขอขอไป ต, ตรงตรงเนี้ยเรขอบอกให้พวกเรารู้ว่า นี่นคือเพียงแค่ก้าวเล็กๆของเราเท่านั้นเองที่ก้าวข้ามาสู่ก็เกว่าหัทางของการปฏิบัติธรรมแล้วก็หัทางตรงนี้นะครเป็นหัทางที่จะพาพวกเราเนี่ยก้าวห่างทุกไปเรื่อยๆห่างทุกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันคือตรงเนี้ยขอให้พวกเราเนี่ยตั้งใจที่จะเพียนกันให้เต็มที่นะครอย่างนั้นเพียนเพื่อที่จะทให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ห่างทุกไปห่างทุกไปจนไระทั่งท้ายสุดเน ไม่มีทุกได้กันทุกคนทุกท่านเนา ะ, ะ, ะก็พบกันสั้นๆเท่านี้นะฮะางนี้น